ความท่านผู้ในการท่านผู้บริหายญาติโยมทั้งหลายเป็นการเทศที่น่ารักนะขนาดนี้เป็นการฟังเทศกัน ร, ระดับอุดมคติเลยคือไม่เยอะเกินถึงพ่อไปเทศบางทีคนเยอะเยอะมากไปเนี่ยลำบากคือพื้นฐานธรรมะของแต่ละคนไม่เท่ากัน คนหลากหลายมากๆเยเวลาแสดงธรรมลำบากมากเลยนี่พวกเราเดี๋ยวตลวงพ่อขอสัมภาษณ์นิดนึงเคยฟังซีดีหลวงพ่อไหมคนไหนไม่เคยสารภาพมาตรงๆรงมีไหมวัวเยอะเลยเอาละคนไม่เคยฟังไม่เป็นไรนะได้เคยศึกษาปฏิบัติธรรมแนวอื่นๆบ้างไหมมีไ้มแั้นส่วนมาก ไม่เคยฟังไม่เคยปฏิบัติแล้วเราเข้าโลกเทศแต่อีกแบบหนึ่งนะอย่างเยือที่วัดเทศบางคนถือว่ายากไปธรรมะนันเป็นของดีของพิเศษแต่ว่าคนทั่วไปไม่เข้าใจน่าเสียดายที่สุดเลยเรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากก็คือธรรมะนี่แหละอยู่คู่บา้านคู่เมืองมานานเป็นพันพันปีอยู่มาจนเราเคยชิน ใจของเราเนี่ยเกิดมาเราก็ได้ยินเรื่องศาสนาพูดเกิดมาเราก็เห็นวัดเกิดมาเราก็เห็นพระแล้วคุ้นค้นคุ้นเจอทั้งเราไม่ได้สนใจแต่ทั้งที่ถ้าหากใครได้ศึกษาได้ปฏิบัติรรมเราจะได้รับสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตเลยสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตเราที่ทุกคนใฝ่ฝันทุกคนปรารถนาทุกคนอยากได้รับความสุขทุกคนจะดิ้นรนหาความสุขตลอดเวลา อย่างเรามาทำมาหากิมอย่างเนี้ยนะเราก็อยากมีเงินมีตําแหน่งมีหน้าที่มีชื่อเสียงเราเห็นว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้เราจะมีความสุขในบางคนที่ใหญ่อยากใหญ่อยากโตนะอยากเป็นนายกอยากเป็นอย่างนน้นอย่างนี้หวังว่าเป็นแล้วมันจะมีความสุขและสิ่งที่มนุษย์เราแสวงหาตลอดชีวิตนะก็คือความสุขแต่ความสุขที่เป็นเรื่องแปลกมันเหมือนเงาวิ่งไล่จับเงาะ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 ตอนเด็กๆเลยคิดว่าถ้าเราโตขึ้นเราจะมีความสุขใช่ไหมพโตขึ้นมาจริงๆเราคิดนะตอนเด็กๆเรามีความสุขทาไมมีความสุขไม่ต้องรับภาระอะไรไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทุกวันนี้รับผิดชอบแสนสาหัสรับผิดชอบตัวเองก็คนหนึ่งก็ลําบากแล้วบางคนก็มีครอบครัวต้องรับผิดชอบอีกเยอะแยะเลยเราหาความสุขแล้วเราก็ฝันตอนเด็กๆเราก็ฝันว่าถ้าโตขึ้นเรียนหนังสือจบแล้วอะไรนี้ยจะมีความสุข ตอนโตขึ้นมามาทํางานนะเราคิดว่าถ้ารวยรวยมีตําแหน่งดีๆแบบท่านผู้เงยการอะไรนี้่คงจะมีความสุขดูสิท่านก็บาดเจ็บอีกล้ว <laughs> ความสุขดูปัญหายากชะมัดเลยแล้วอยู่ในโรงพยาบาลเราดูสินคนมีความทุกข์เต็มไปหมดเลยคนที่มาโรงพยาบาลนี้คงไม่จนหรอกนะมีเงินนะแต่ก็ยังมีความทุกข์รือออกไหมเห็นคนตายไหยรวยแค่ไหนก็ตาย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 ถ้าคนเรามีความสุขในชีวิตได้จริงๆนคนไหนที่จิตใจมีความสุขจริงมันจ ะ, จนจะเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองเมื่อความสุขมันเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองเนี่ยความเมตตากรุณาเนี่ยมันจะล้นออกไปหาคนอื่นใช่อยากให้คนอื่นมีความสุขคนซึ่งมันทำร้ายคนอื่นนะเปียนเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยก็จริงๆแล้วตัวเองไม่มีความสุขถ้าเรามีความสุขอยู่เต็มอิ่มอยู่ด้วยตัวของเราเองได้เนี่ยความเมตตากรุณาจะเกิดขึ้น แทนที่จะคิดเปลี่ยนเปลียนะจะเห็นโอกเห็นใจคนอื่นนะเรียกว่าค น, นเต็มแล้วเรามาฝึกตัวเองให้เป็นคนเต็มคนสักทีงั้นเราไปจะเป็นคนหิวตลอดเวลาหิวความสุขนี่แหลดิ้นรนไปเรื่อยๆทยํายังไงชีวิตเราจะมีความสุขเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรทําให้เราไม่มีความสุขสิ่งที่ทําให้เราไม่มีความสุขนะพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตัวสมุทยัยเหตุให้เกิดความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุ ในความเป็นจริงแนละทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันก็มีถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีทำไงก็ไม่มีความทุกข์ก็ต้องมีเหตุความสุขก็มีเหตุของมันเหตุที่ทำให้เราไม่มีความสุขเหตุที่ทำให้เราเกิดทุกข์ถ้าเรียกว่าตัวสมุทยัยคือความอยากเห็เจก่ไม่มีความอยากทีไรก็มีทุกทุกทนะีคนในโลกนะั้นมีความคิดนะว่าถ้าสมอยากจะมีความสุข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 ความสุขของเราก็หายไปเยอะแล้วเขามีเหมือนเราไม่เด่นกว่าเขาแถมเขาซื้อมาได้ถูกกว่าเราห้าสิบาทด้วยเรามีความทุกข์เยอะเลยแถวนี้ความอยากเกิดขึ้นทีไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีความอยากเป็นฐนัากตาห้ามมันไม่ได้หรอกความอยากนั้นเราห้ามมันไม่ได้เพนั้นอยู่ๆเราจะไปบอกใจบอกว่าอย่าอยากอย่าอยากอย่าอยากมันไม่เชื่อใจจะอยากใครอย่าห้ามใจ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 วันหนึ่งอยากกินขนมตาลเนื้อเที่ยวหาขนมตาลกินนะสงสัยไม่เคยทำบุญเอาขนมตาลใส่บาตวันที่ไม่ได้อยากกินกนะ็เจอเต็มไปหมดเลยวันที่อยากกินกนะ็อุตส่าห์วิ่งไปถึงแต่ว่าไร่ขิงนะี่ไปดูตามตลาดน้ำตามอะไรหาไม่ได้นะเนื้อใจเนืใจใจพอมันใจมันมีความต้องการมีความอยากขึ้นมานะมนจิตดินด้นดิ้นแต่พยายามสนองมันนะสนองมันเท่าไหร่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 มีความสุขถ้าสนองได้ก็ได้สุขแปบบ๊บหนึ่งเดี๋ยวว่าอย่างอีกก็ทุกอีกลิ่นไปแรืถ้าเป็นปฏิเสธความอยากก็มีความทุกข์พวกคือสีชีไทยพวกที่ทรมานตัวเองอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะอยากสบายก็ทรมานร่างกายทรมานตัวเองหังว่าฝืนความต้องการฝืนตัณหาไปเรื่อยๆแล้วจะมีความสุขก็มไม่ได้มีความสุขพระพุทธเจ้าเลยสอนทางสายกลางให้เรานะที่เราจะเข้าถึงความสุขได้ง่ายๆเลย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 วิธีปฏิบัติทำเนี่ยนะไม่ต้องทําอะไรมา ก, อ, กอย่าไปตามใจกิเลสเกินไปความอยากอะไรเกิดขึ้นเราต้องใช้เหตุผลวนะ่ามันสมควรไหมเช่นหิวแล้วอยากกินข้าวก็กินข้าวง่วงแล้วอยากจะนอนก็นอนนะไม่ใช่ว่าง่วงเราต้องไม่นอนหิวล้วต้องไม่กินไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธนะสุดโตกไปข้างกรมานตัวเองมากไปเราก็ดูไปความอยากใด นะสมเหตุสมผลนะจำเป็นเป็นความจําเป็นเราก็ทำนะไม่จําเป็นความอยากอะไรที่มันไม่จําเป็นเราอย่าไเชื่อมันมันหลอกให้เราทํางานเหนยยากเกินความเป็นจริงนะอย่างต้องอยากได้มือถือแพงๆอะไร่างเงี้ยทั้งๆที่บางคนใช้ไม่เป็นด้วยโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวนะทําเล่นอะไรต่ออะไรไม่เป็นหรอกหรือบางคนเล่นเป็นแต่ไม่มีเวลาจะเล่นเลยนะแต่อยากมีเนะีความอยากเนี้ยส่วนเกิน ทุกคนในโลกนะในทุกวันนี้เราถูกหลอกให้มีความอยากส่วนเกินนี้เยอะมากเลยลูกเล็กเด็กแดงนะใครมีลูกบ้างมีหมใครมีลูกในนี้มีไหมลูกเคยขออะไรที่เราเห็นว่าเกินจำเป็นไหมนี่มีเยอะไหมลูกขอของจำเป็นเนี้ยมีบ่อยไหมก็มีเหมือนกันเลยขอซื้อหนะังสือเรียนขออะไรเนี้ยแต่ขอของไม่จำเป็นเยอะนะ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 คนของธรรมะบอกว่าถ้าเมื่อไรมีกิเลสก็ไม่มีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเรามาฝึกให้จิตเรานี้มีสติไวๆใครๆก็พูดเรื่องมีสติใช่ไหมมีสติแต่ในความเป็นจริงคนในโลกนี้ไม่มีสติหรอกคนในโลกนี้หลงตลอดเวลาเลยหาคนที่มีสติคนที่รู้สึกตัวได้นะน้อยเต็มทีมีแต่คนหลงรู้จักหลงไหมเวลาเราใจลอยใครรู้จักใจลอยบ้างสังเกตไหมเวลาเราใจลอย เราลืมร่างกายตัวเองนั่นเราไปคิดๆนะเราลืมร่างกายเวลาเราใจลอยเราลืมความรู้สึกทางใจของตัวเองเราจะลืมตัวเองตลอดเลยเวลาใจลอยต่อไปนี้เอาใหม่ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ใจรู้บ่อยๆความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจรู้บ่อยๆฟื้อย่างนี้ไปความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันความโลภความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันคอยรู้บ่อยๆ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 พวกมัชชิมาถามโปรดมีใครโปรธไหมเฉยก็ทันใครไม่โกรดเลยก็เฉยอีกนี่พวกมัชชิมาปฏิปทาคอยรู้ทันลงไปคอยรู้ทันความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ใจครรู้ทันความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจครรู้ทันโดยเฉพาะความอยากนะถ้าความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันเนี่ยชีวิตเราจะอิสระมากขึ้นเป็นทาตน้อยลงเราเป็นทาตความอยากของเราเองคนอื่นเข้ามากระตุ้นความอยากเราให้เราอยากได้นอนอยากได้นี่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 อารมณ์ต่าง ๆ, ๆนาน า, น า, นาทุกๆชนิดนะถ้าไหลเข้ามาสู่ใจเราให้รู้ทันเอาไว้บ่อยๆการที่เราคอยรู้ทันใจบ่อยๆนะต่อไปสติเราจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะพอสติเราเร็วนี่เช่นความปวดเกิดขึ้นแวบเราเห็นนะพอความปกรธเกิดขึ้นแวบเราเห็นนะความปวรจะดับอัตโนมัติเลยก็กิเลสจากสติไม่อยู่ด้วยกันนะหรือความโลภเกิดขึ้นเรารู้ทันปั๊บนะความโลภจะดับทันทีนะความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันปับ๊บนะความอยากจะดับทันทีนะ ระดับแล้วครั้นี้เราก็ใช้ชีวิตอย่ามีเหตุมีผลนะไม่ได้ใช้ชีวิตตามการผลักดันบง ก, การของกิเลสนะไม่ใช่ให้ตันหาผลักไปเรือยอยากไปเรื่อยแล้วก็ทิ้งไปเรื่อยชีวิตหาอิสรภาพไม่ได้นี่ยเราลองมาปฏิบัติทำนะมาปฏิบัติง่ายๆนะแต่ได้ผลดีได้ผลเร็วด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ถ้าปฏิบัติแล้วจะได้ผลดีแล้วก็ผลเร็วแล้วเห็นผลได้ด้วยตัวเอง นะคอที่เรียนจับลวพ่อเนะ่นับจํานวนไม่ถ้วหนหรอกเดี๋ยวนี้มีเป็นหมื่นแล้วนะที่เขาภาวนาเลยขั้นสงบไปแล้วนะขั้นฝึกให้จิตสงบนี่จีก็สุดๆเลยเรียกว่าขาจอกมากเลยแค่นั้นไม่พอนะสงบได้มันก็ฟุ้งได้อีกเดวที่เข้ามาหักนะเขาค่อยๆมีสติแนละจิตตื่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวหลุด อ, อกจากโลกของความคิดโลกของความฝันได้จิตรู้สึกตัวขึ้นมาได้นี่เราค่อยๆฝึกไปค่อยรู้ทางเวลาจิต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 เราไม่รู้ไม่ยอมดูว่าใจกำลังรักอยู่เราร้าเลยใจของเราเองไปความฟุ้งซ่านเกิดเราคิดเรื่องนนเรื่องนี้ไปเราร้าเลยไม่รู้ว่าใจกำลังฟุ้งซ่านอยู่ต่อไปนี้เราแค่ไม่ร้าเลยคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆศสีล จ, จะเกิดขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้ น, นคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆ่อยไปไกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันถ้าเรารู้ทันได้กิเลส จ, จะครอบงาจิตไม่ได้ คนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงาจิตแค่นี้เองอย่างพวกเราไม่ต้องอารัทนาศีลเลยเรามีสติไว้กิเลสอย่างความโกรธเกิดขึ้นในใจเรารู้ปั๊บเลยเห็นเวยความโกรธเกิดขึ้นความปกรธกครอบงำใจไม่ได้นะจะตับไปเลยเพอะความโกรธครอบงำใจไม่ได้เราไม่ฆ่าใครเราไม่ตีใครเราไม่ด่าใครเราไม่แกล้งท uh, on ํำลายทรัพย์ส so, ินของใครหรือถ้าความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ไม่ทันเราก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาไปแกล้งเขา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 โมโหที่ไรรู้ทุกทีโมโหที่ไรรู้ทุกทีตามไปก็เห็นอย่างอื่นด้วยเห็นจิตลอบจิตโกรธจิตหลงเห็นหมดแหละจิตสุขจิตทุกข์เบื้องต้นหัก ด, ดูตัวที่เรามีบ่อยๆตัวที่มันทําร้ายเรามากๆหน่อยคนไหนที่โมโหเวลาโกรธขึ้นมาแทนที่จะไปดูคนที่เราโกรธแล้วก็แทนที่จะไปนับหนึ่งถึงสิบเคยได้ยินไหมโกรธขึ้นมานับหนึ่ถึงสินับไปทําไมนับให้หายโกรธใช่ไหมถ้านับให้หายโกรธเนี่ยเป็นการทําสมถะกรรมฐาน ถ้าจะปฏิบัติให้มันะละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธแต่ว่าโกรธขึ้นมาไม่ใช่รู้ว่าอ๋อผู้บริการไม่ขึ้นเงินเดือนให้เราเยอะๆเลยโกรธเลยไปโกรธผู้บริการแล้วไปมองแต่ผู้บริการอย่างนี้ไม่ใช่การปฏิบัตินะโกรธขึ้นมาดูใจตัวเองโลภขึ้นมาดูใจตัวเองหลงขึ้นมาดูใจตัวเองอยากขึ้นมาดูใจตัวเองมีความสุขขึ้นมาดูใจตัวเองมีความทุกข์ขึ้นมาดูดูใจตัวเองคอยดูใจของเราบ่อยๆไว้ อกิเลสมันเกิดขึ้นเรารู้ทันนะกิเลสจะครอบงาจิตไม่ได้ถ้ากิเลสครอบงาจิตไม่ได้ศีลจะเกิดเองนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันเราไม่ด่าใครไม่ตีใครไม่ทําร้ายใครไม่ทําลายทรัพย์สินเขาด้วยความโลบเกิดขึ้นเรารู้ทันนะเราก็ไม่ไปดักตีหัวเขาเพื่อจะชิงทรัพย์นะมันผิดศีลไม่ไปขโมยก็ไม่ไปพูดจาหลอกลวงเขาราคะเกิดขึ้นเรารู้ทันะ เราก็ไม่ไปผิดศีนข้อสามเนะี่ยเพราะบางทีใจฟุ้งซ่านขึ้นมาเรารู้ทันเราก็ไม่พูดเพิรเจอสินข้อสีของเราก็ดีหล้ยคนเราทําผิดศีลนะก็ไม่รู้ทันใจตัวเองแลง้นบางคนคิดนะรักษาศีลยากเหลือเกินรักษาศีลยากเหลือเกินเพราะมวลแต่ไปรักษาที่กายไม่รักษาที่ใจถ้ารักษาศีลที่ใจมีสติรู้ทันใจของเราสีนจะเกิดเอง ชุมชนใดคนมีสีนอยู่เยอะๆนะชุมชนนั้นดีมากมีชุมชนที่มีความร่มเย็นเป็นสุขไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ทุกวันนี้ยากใช่ไหมเราเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่มีศีลตอนนี้ใครเชื่ออย่างนี้ไหมใครเชื่อไหมว่าข้าราชการมีศีลส่วนใหญ่ใครเชื่อว่านักการเมืองมีศีลมีไหมระหว่างข้าราชการมีศีลกับนักการเมืองมีศีลเราคิดว่าใครมากใครน้อยออกัน โอ้แอบบยิ้มเป็นใหญ่เลยโรงความก็คือเราไม่ค่อยคิดว่าคนอื่นมีสีหนอกเนาะเราด้วยเนาะงั้นมีสตินะดูทันใจของเราเองต่อมามาหักดูจิตดูใจนะให้มันมีสมาธิสมาธิเนี่ยก็คือใจมันสงบสบายอยู่ในอารมณ์มันเดียวใจของคนส่วนใหญ่มันจะฟุง้งซ่านคิดเรื่องโน้น เ, เ, เรื่องนี้ฟุ้งซ่านไปเรื่อยแทนที่เราจะปล่อยใจให้ฟุง้งซ่านเราคอยมีสติรู้ทันใจของเรา ใจของเราคิดนึกปรุงแต่งอะไรไปฟุ้งซ่านแต่เราคอยรู้บ่อยๆเบื้องต้นอาจจะหาัดทำกรรมาฐานสนักนันหนึ่งหัดพุทโธหัดรู้ลมหายใจอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดนะใครถนัดอะไรใช้อนั้นแหละพุโทโธไปแล้วก็จิตหนีไปชิดรู้ทันพุโทโธไปจิตหนีไปชิดรู้ทันต่อไปนะัพอจิตไม่ขยบไปมันจะฟุ้งออกไปนิดเดียวมันจะเห็นนะทันทีที่เห็นนะความฟุ้งซ่านจะดับเพราะอะไร สติมันเกิดสติเป็นตัวรู้ทันว่าฟุงา้งซ่านทันทีที่สติเกิดที่เล็ตับเมื่อจิตไม่ฟุง้งซ่านจิตสงบจิตสงบเองแทนที่พวกเราจะหาทางทําให้จิตสงบนะทำยากจะทําให้จิตสงบยากเรามาพลิกนิดเดียวมาคอยรู้ทันเวลาจิตไม่สงบถ้าเรารู้ทันจิตที่ไม่สงบเราพุโทโธพุโทโธไปจิตหนีไปที่เรารู้นะจิตจะสงบเอง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 ดูกายดูใจมันทํางานไปเรื่อยๆถ้าใครทำถึงตรงนี้ได้นะเคยได้ยินคำว่าสติปัฏฐานไหมมหาสติปัฏฐานสูตพรพระพุทธเจ้าเทศน์ไปนะบอกว่าถ้าใครจเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีจะเป็นพระอระหันต์นะถ้าไม่ได้เป็นพระอระหันต์จะได้พระนาคามนะีนั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์นะที่ว่าหากจเจริญสติปัฏฐานได้เนะี่ยชีวิตจะเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างมหาศาลเลย อาจจะไม่ถึงเป็นพระอริยะนะแต่ได้เป็นปุ้ทุชนที่ดีวิเศษนะเป็นผู้ทุกุชนที่ทุกข์น้อยลงนะ้อยลงน้อยลงนะเห็นแก่ตัวน้อยลงน้อยลงนะมีใจเมตตากรุณามากขึ้นมากขึ้นใจจะเปลี่ยนนะวิธีการก็คือพอใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะเราค่อยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวเราก็ดูไปเห็นเหมือนดูคนอื่นเคลื่อนไหวจิตใจมันเป็นยังไงเราก็ค่อยรู้ไป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 ใครเคยลูกตายมีไหมในนี้ใครเคยลูกตายบ้างมีไหมมีทุกเยอะไหมพอผ่านไปนานๆทุกก็ลดลงนึกออกไหมกระทั่งความทุกขที่ว่าสาหัสก็ไม่เจียมไม่มีหรอกความทุกขที่เจียมนี่เราคอยรู้ทันนะตอนไปปัญญา ม, มันเกิดไม่จะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวนะความทุกข์ก็ชั่วคราวความดีก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงความอยาก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 เป็นกลางต่อความสูกเป็นกลางต่อความทุกข์เป็นกลางต่อกุศลต่อความโลภความโกรธความหลงเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างใจเราเป็นกลางเนี่ยใจจะไม่มีความอยากถ้าใจมีความอยากนะใจมันใจมันไม่เป็นกลางมันจะอยากความอยากจะเกิดขึ้นจะดิ้นอย่างความสุขเกิดขึ้นมันจะอยากอะไรความสุขเกิดขึ้อยากให้อยู่นานๆนะมันจะอยาก มันไม่เป็นกลางมันไม่มีปัญญาไม่รู้ความจริงว่าความสุขเป็นของชัวคราวอยากให้อยู่นานๆอยากให้ความสุขเกิดบ่อยๆ อ, อยากไหมอยากให้ไม่มีความทุกข์อยากให้ความทุกข์ไม่เกิดขึ้นอยากไหมนีม่มีความอยากถ้าปัญญามันพอมันเห็นเลยความทุกข์ก็ของชั่วคราวถ้าความทุกข์จะมาก็าห้ามมันไม่ได้ความทุกข์มาแล้วนะไม่ได้เชิญมันนะถึงเวลามันก็ไปทุกอย่างนะมีเหตุมันก็มาหมดเหตุมันก็ไปมีอยู่แค่นี้ เราเรียนธรรมะเนี่ยเรียนดูลงมาถึงจิตถึงใจของเรานะเพื่อวันหนึ่งเราจะได้รู้ความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขความทุกข์อะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวหมดพอเรารู้ว่าชั่วคราวนะใจมันจะไม่ดิ้นต่อละความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ดิ้นที่จะรักษาไม่ดิ้นที่จะสแสวงหาความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ดิ้นปฏิเสธมันเวลาเราอยากหายทุกข์เราทุกข์ห เวลาอยากให้ความทุกข์หายไปเรายิ่งทุกข์เยอะขึ้นเท่าไหะไรเพราะเราเพิ่มความอยากความอยากมากขึ้นก็ความทุกข์ก็เยองขึ้นเลยเวลาลถติดอยากให้ลถหายติดไรเดียงสาไหมไรเดียงสานะแต่อยากไหมอยากถ้าพวกมาจากกรุงเทพเนีพวกนี้เขาตกนรกขั้งเป็นแหละเราพวกสีราชาไม่เท่าไหร่เราติดก็ติดนิด น, ดนดหน่อยหน่อยพอหปากหอมคอ อ, อยากให้รถไม่ติดนะ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 อยากให้ความทุกข์หายเร็วๆก็ไม่มีความอยากอย่างนี้เพรารู้ว่าถ้ามันหมดเหตุนนะความทุกข์ก็ดับเองถึงอยากยังไงมันก็ไม่หายอย่างเวลาเรามีความทุกข์เราอยากให้หายรู้สึกไหมแล้วมันไม่หายหรอกเพราะมันไม่ได้หายตามอยากแต่ยิ่งอยากยิ่งทุกข์มากขึ้นที่ทุกข์ซําซ้อนทุกข์ซําซ้อนทุกข์ซ้ำซากถ้านะไปนี้เอานะค่อยดูทันใจของตัวเองบ่อยๆ ดูไปเรื่อยแิเลสอะไรเกิดแล้วรู้รู้ไปด้วยนะต่อไปปัญญามันมีเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวพอเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวความอยากจะหายไปเมื่อความอยากหายไปนะความทุกขจะไม่มีหรอกความทุกขทางใจความทุกข์ทางใจเกิจดจากใจมันอยากนี่เอาแค่นนี้ก็พอนะสําหรับคนซึ่งยังไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อคังา ม, มากกว่านี้รุ่งใจแต่ถ้าอดทนนะได้ซีดีมาแจก แจกฟรีนะเนีย่ยลงทุนขนาดไหนนะเทสก็เทศไม่เก็บตังค์ด้วยนะมีอยู่ที่หนึ่งเขาโทรมาติดต่อมาแล้วกรรมการวัดอยากที่มโนหลวงพ่อไปเทศสแต่ไม่มีตังค์บอกเราไม่ได้เทศเก็บตังค์นะเราเทศให้ฟรีนะขอให้ฟังนะนะมีซีดีแจกให้ไม่ใช่ให้โอกาสกับหลวงพ่อนะลองให้โอกาสกับชีวิตตัวเองดูบ้าง ลองฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังใหม่ๆยากยอมรับม่ายากอะไรที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังฟังครั้งแรกยากทรั้งนั้นแหละใครเคยขับรถใครขับรถได้พวกเราก็ขับรถได้แทบทุกคนเลยนึกออกไหมตอนหัดขับรถที่แรกยากใช่ไหมหลวงพ่อตอนหัดขับรถที่แรกนะรู้สึกกูนี่โง่จริงๆเลยซื้อรถมาทําไรวะเดินสบายกว่านะหรือขึ้นแท็กซี่สบายกว่าแต่พอขับรถเป็นนะรู้สึกไหมรถ ส, สบายกว่าเดิน ชักจะไม่ยอมเดินเลยไปไหนนิดนิดก็ชักจะนั่งรถล่ะการภาวนานก็เหมือนกันแรกแรกอนะ่ะไม่เคยไม่เคยมันก็ดูยากนะแต่อดทนนะฟังซีดีหลวงพ่อไปฟังั้งฟัง้ากนะคนเขาฟังกันทั่วโลกแล้วตอนนี้นะทาไมคนศรีราชายจะฉลาดน้อยไม่ให้โอกาสกับตัวเองเฉลอนะลองฟังดูนะแล้วจะพบว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอาัศจรความทุกข์มันตกหายได้ต่อหน้าต่อตา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 งดงามในท่ามกลางแนละไม่มีเหตุผลนะในการปฏิบัติงดงามในเบื้องต้นเนี่ยบอกเราเลยว่าเราต้องทําอะไรจะต้องทําอย่างไรนี้พอเราลงมือทนะอํานะจะพบในธรรมของท่านงามจริงๆงามไม่น่าเชื่อแค่รู้แค่รู้ทันกิเลส ข, ของเราเองนะความทุกข์ก็ตกหายไปเยอะแนละ้วถ้ารู้ทันลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวเราจะเปลี่ยนตัวเองนะ ชีวิตของเราจะเปลี่ยนเพราะพุทธเจ้าสมัยพุทธเจ้านะนยังอยู่พวกเปลตีศา ส, สนาอื่นนะเขาเตือนถึงว่าอย่าไปคุยกับพระสมณะโคดมนะพระสมณะโคดมมีมวลเปลี่ยนใจพวกเราลองฟังนะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วเราจะรู้ว่ามวลเปลี่ยนใจนะั้นเป็นยังไงจากใจดำเอามาหิดนาใจสว่างใจใสใจสะอาดขึ้นนะ ใจที่จมอยู่กับความทุกข์ไม่รู้จักทางออกอยู่ที่ไหนวิ่งหาแต่ความสุขเรา่เราๆตั้งแต่เกิดจนตายใจจะมีทิศทางรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเพื่ออะไรจะทาอย่างไรชีวิตเราถึงจะทุกข์น้อยลงน้อยลงจนถึ ง, ถ ง, ถงวันหนึ่งเราไม่ทุกข์แล้แต่ถึงขั้นไม่ทุกข์นี่ยากหน่อยนะเอ็นชลาว่านี่ทํายากหน่อยต้องภาวนากันแบบเอาชีวิตเข้าแกลกหนย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 ถ้าเห็นว่าทุอย่างเชั่วคราวหรือทุกอย่างเกิดแล้วดับได้ตัวนี้แหละฟูมิทำของกระโสดาบันนะเราจะได้รับรสได้รับความปลอดภัยเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เรารู้เลยว่าพ่อแม่ของเราคือพระพุทธเจ้า น, นั่นเองธรรมมาที่ท่านสอนนะั้นวิเศษจริงๆพวกเรามีโอกาสที่จะได้รับของวิเศษแล้วนะอดทนนิดนึงไปฝังซีดีไปให้กันบ้านในฐานะที่ที่นี่ยังไม่ค่อยมีใคร ไปฟังซีดีหลวพ่อคงไม่ต้องส่งกันบ้านใช่ไหมจะเอากันบ้านที่ไหนมาส่งอ่ะไม่ได้ทาวนาอ่ะเท่ า, น, า, ทานี้ก็พอนฮะนี่ใครจะคุยหลวพ่อฟังไหมมีไม่เอ่ยไม่มีอะไรจะได้กลับไปทำงานต่อลำดับถัดไปนะคะ ขอเชิญท่านประธานองค์กรแพทย์นายแพทย์ขนงวินูุตาคมค่ะถวายปัจาา จ, จัยธารม่จร <นะ S 2> ิงๆนะฝั่ง4สิบห้านาทีเนี่ยสำหรับพอดีสมองของคนทั่วๆไป <จะ S 1> มันเซ็นเได้4ี่สิบห้านาทีเท่านั้ น, นญญามากกว่านั้นไม่ค่อยรับส์ ก็จะเริ่มแล้วแต่ว่าจะทำไม่ได้ต้จดไม่ได้ไตบอปรากาจารครับจะขออนุญาตถามนะครพวกเราก็เป็นคนทํางานทั่วไปนะครับเป็นขลาวาสนะครับจะขอกับเรียนอาจารย์เรื่องเรื่องของการทํางานนะครับผมว่าคือทุกวันมีทํางานก็คงจะมีความสุขความทุกข์หลากหลายต้นชุนธรรมดา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 จะทำได้ตูเองล่ะไม่ต้องกังวลหรอกเนั้นถ้าเราไม่มีสติสักตัวเดียวนี่ธรรมะอื่นหายหมดเลยเพ่มีสติตัวเดียวี้ยธรรมะอื่นก็พอมาได้นะ <c oughs> มันแทนอะไรอ่ะเสร็จแน้าเชิญคนถามเพิ่มค่ะ อยากจะถามว่าความทุกข์ที่เกิดจากอยากให้คนอื่นเป็นคนดีเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงคะคนอื่นเขาไม่เป็นคนดีอย่างที่เราอยากหรอกอย่างเราอยากเป็นคนดีมันยังไม่ค่อยเป็นเลยเพราะ้นจริงๆนะไม่มีใครเป็นอะไรตามที่คนอื่นอยากหรอกนะเราหวังดีได้นะเราทําเหตุให้อย่างสช่นว่าลูกเราเราะวรามีลูกนะเราอยากให้ลูกดีเราให้การศึกษาให้คําแนะนําเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาดูแล้วเราทําได้แค่นั่นแหละ ส่วนเขจะดีไม่ดีอยู่ที่ตรวจเขาเองนะทุกคนมีกรรมของตัวเองถ้าเราไปอยากอย่างนั้นอยากลมลมแรงๆนะเราจะทุกข์มากเนี่ยาบางคนเป็นห่วงพ่อห่วงแม่อยากให้พ่อแม่ภาวนาพ่อแม่แม่ภาวนามูโหพ่อแม่นะเออเลยอยู่ดีๆหาเรื่องตบหน้ล็กสี่